ห้าคัม <c oughs> จะได้สิ้นวานลโอกาสเวลาไปตามมัดับแต่การปฏิบัติธรรมนี้เนะี่ยเจตมาก่ายย้ำเติมเสามส่งมามานานแล้วว่าปฏิ บ, บัติรูยต่อเ น, นื่องการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เนะี่ยต่งการเจริญปุตช น, นให้ครบวงจรของชีวิตด้วยกายนาิปัชนาสิปัฏฐานนี่วงจรต้น ทางวงจรที่สองคือเวทนาต้องเป็นด้วยกันทุกคนด้านกายด้านเวทนามันมีหลักการอยู่โดยธรรมชาติไม่มีใครที่จะทำให้มันเกิดและมันก็เกิดโดยธรรมชาติเท่านั้นมันก็ต้องมีเวทนาโดยไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ ก็เรียกเวทนาไม่อยู่แล้วทุกคนแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเราต้องมีสติกันหนึบรู้ได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นโดยความดีใจเสียใจโกรธหรือเมื่อยหรือโศมนัตโทมนัสโสมนัตทั้งความเสียใจและดีใจปวดรุด่ดเล่าในด้านกายหรือด้านใจ ไม่สามารถจะอดทนได้เดผืผากลากรำและลำบาตบบกตลอดกรทั่งทนความเจ็บใจในจิตใจของเราได้ก็เรียกว่าเวทนาทั้งนั้นปวดเมื่อยทั่วสกลกายก็เรียกว่าเวทนาไม่มีใครที่บอกไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นในการทุกคนแต่ใครหนอจะรู้จัก ค, ำคำําพหุอดทนแล้วก็กําหนดได้ตัง้งสติไว้ให้มีความอดทนในชีวิตของเขาลงนันได้ นี่ธรรมชาติก็ครบวงจรข้อที่สองความสมนั์และความดีใจเสียใจเป็นของคู่กันมันมีมืดมันก็มีสว่างก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็ของคู่กันเดี๋ยวก็ไม่สบายใจไม่สบายกายมันก็ของคู่กัน เยอะเกิดทุกข์เกิดยากเกิดลําบากตลอดโดยการมันก็เกิดผลโดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครพลาดไปได้จากนี้จิตตาอุปัสนาวงจรครบพอดุสามก็จิตเป็นธรรมชาติจิตนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวตนจะคลำได้แล้วก็บอเหตุการณ์อะไรได้หรือเ ก, การใดมาเป็นอารมณ์ของเรานั่นเอง เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวล้าเดี๋ยวกลุ้มเดี๋ยวก็ไม่กลุ้มเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ลำบากเดี๋ยวก็อยากร้ายเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจที่เป็นธรรมชาติตรงคิปอยู่ตลอดเลยการจนกว่าจะหลับไปกันงั้นแม้เรายังไม่หลับยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นะับบนี้มันก็จะต้องมีทุกข์มีสุขควบคู่กันไป ตลอดรายการก็ตั้งให้สติไว้เฉ่านั้นนี่วงจรวงจรข้อทีสี่สรุปปัญหาชีวิตก็คือธรรมานุ ป, ปษษัสสนากุศลหรืออกุศลที่เราทํานั้นมาเป็นกุศลหรืเป็นอกุศลกรรมที่เรต้องย้อมใจให้เชื่อมทรงที่ข้างอาดีตที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าเป็นกุศลหรื อ, อกุศล ถ้าเรามีสติทั้งประัญญะมีธรรมะประจําจิตประจำใจแล้วเราก็รู้ได้ว่าเนยเราทําไปนีญาเป็นกุศลทําแล้วเป็นอกุศ ล, ลกรรมจะต้องใช้เวรใช้กรรมแรู้จากการกระทำปัจจุบันของเราขึ้นได้ก็อยู่จากธรร ม, มรานุปัสสนาติปัฏฐานเป็นบทวิจัยประเมินผลในชีวิตเป็นข้อที่สี่ของการเจริญประัญญาฐานเพราะฉะนั้นสามมาสติสามมาสมาธิก็คือมากแปด เป็นข้อที่เจ็ดที่แปดของมัสมีองค์8ปดนั้นพระพุทธเจ้าพบของจริงเนี่ยแล้วก็เอามาสอนเราพิโทเอ๋ยอ น, นิจา ว, วัตรสังข า, าราเอ๋ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านไปหามายากลำบากเอามาตั้งเป็นหลักสูตรแล้วมาให้เรามีอยู่แล้วยังทำกันไม่ได้อีก ยังไม่สนใจจะทำไม่สนใจจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าหามายาต ก, กว่าจะทนทุกข์กัทรมานทาทุกข์กิรกิยลสถึงหกปีและกก็ไปกรากรำนาบาเนี่ยอรัญญาลาวป่าเป็นเวลานานทุกหกปีกว่าจะสำเร็จสมพูธิยานสำเร็จมรรคผลกว่าจะเสืบสาวหาเหตุผล ในอริยศัสตร์สก็ใช้เวลานานปีถึงสี่ห้าปีหกปีตําเบ็จั้มโพธิญาณในวันวิสขาขบูชานั้นท่านมีหลักตำลาให้เราแล้วเราก็ยังไม่ปฏิบัติตามถ้าเรายังคลัมอยู่ไม่รู้เลยว่าจะสําเร็ตตรงไหนว่าธรรมะอยู่ตรงไหนแล้วก็จะแย่กว่านี้มากกระทั่งที่มีตำหลับตำลาที่พระเจ้าเจ้าให้สอนเรามาแล้วทั้งสั่งทั้งสอน เราก็ยังไม่ทำพันธุ์อีกหรือปฏิการได้เลยตายสุดขาสามคือสินธมาธิปัญญาเพราะยังไม่ปฏิบัติอีกสินก็เราคิดว่าเรารับไปแล้วเนี่ยสักครู่เนี่ยเราก็มีสินเนี่ยไม่จริงใครก็รับเอาปากรับได้ก็ว่าไปตามบทเพลงแต่ถ้าปฏิบัติไม่มีสติสันเปชัญญะ และจิตจะมีธรรมะหรืองั้นมืจิตไม่มีธรรมะแล้วการปฏิบัติก็เลอละเลอะเทอะขาดสติทั้งชัญญัติจึงต้องขาสดสารตชีวิตขาดสติทั้งชัญญะจึงอยากเห็นแก่ตัวเบียดเบียนทรัพย์เขาเห็นแก่ตัวมากได้ก็จะเอาเสียพ่อแม่เอาด้วยคนประเภทไร้ศีลธรรม นี่แเพราะขาสติตัวเดียวเท่านั้นเองคือศีลขาดสติสามปัญชนยะที่เราพูดมานานไม่มีสติแต่เป็นคนมีสตางค์ก็ใช่ไม่ได้บางคนมีสตางค์แต่ไม่มีสติมันก็เลอะเทอะเลอะละเลอะเปื่อนตลอดเลยการทุกขโทมนัตสังอยู่ตลอดสตางค์ก็ช่วยไม่ได้ เงินทองก็ช่วยไม่ได้เราท่านทั้งหลายสติธรรมาชญญาญะตัวกำหนดจิตน่เป็นตัวช่วยชีวิตของเราให้เดินทางไม่พลาพิษเดินทางด้วยความถูกต้องตรงนี้ถึงจะเรื่องที่มีเหตุผลท่านทั้งหลายจะอวดรู้อวดดีว่าเรามีสตางค์แต่ท่านมีสติหรือเปล่าในเหละาถึงจะเบียดเบียนตัวเองตลอดรายการ เสียไม่เอาว็ใครเอารักเอาเปรียบตลอดใยการนี่แหลฐาดติมันจึงได้มีจิตอกุศลกรรมร่วมประเวณีหน้าบาทศรีในสังคมของคนไทยเรียกว่าประเวณีกาเมศุมิจฉาจารึกตรมันก็เกิดขึ้นในลักษณะการของเขาอย่างนั้นบางคนเหมือนเยื่องสัตว์ป่า บางคนเยี่ยงเดรัจฉานบางคนขาดมนุษย์ในจิตสายใจสะอาดบริสุทธิ์มันก็เป็นได้อย่างนั้นแถมหลอกลวงโลกหวังอล่ามหลอกได้ชัดเจนล่อลอล่อลอหล อ, อกล้างสมองได้ชัดเจนมากกโกหกได้แนบเนียนมากถ้าคนที่ขาดสตินี้โกหกได้แนบเนียนคนมันไล่กุรธรรมขาดกุรภาพ ในเมื่อไม่มีคุณรธาภาพเช่นนี้แล้ไหนเลยละกุรธรรมจะมีราคาค่างวดกวดขันในชีวิตตนเองล่ะมันก็ไม่มีราคาไม่มีหน้ามีตาไม่มีราบชื่อเสียงความรักก็หลอกลวงก็ได้ง่ายแถมดื่มสุรายาเมาเดินสามขาสี่ขาไปตามสภาพไม่มียางอายไล้สติขาดฮิริโอตะปะ นั่นคือขาดธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงจะสมรวมช่องวระวังมีสติอยู่ในจิตสมชญญาญะอยู่ในข้อคิดทำให้มีความคิดดีมีแรงวิชาและปัญญามีแรงหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตคือสัิปัญญาั่นเอง ได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาโดยการปฏิบัติธรรมคุ้นทานทั้งหลายท่านจะมีแต่สิ่งที่ขวนขวายหาจากความเฉลียวฉลาดให้แก่ตัวเองสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกคิศทุกทางชาวออกมาให้ออกมาเป็นล็อกสติสัมปชัญญะกลายเป็นผู้มีความสามารถ เป็นผู้เฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานทำให้เขาเหล่านั้นมีกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองสามารถทำได้มากกว่าที่จะทำได้นั่นคือกรรมฐาน <c oughs> นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย <c oughs> ถ้าท่านมีสติและมัชาญ ย, ยะตัวกาหนดจิตรับรองท่านจะเป็นมนุษยชาติอย่างที่พูดไว้มานานแล้วแต่จะสมบูรณ์แบบ มีสติสมบูรณ์สมัญญะสมบูรณ์ถ้าจะลึกชาติในชีวิตได้อาจจะเลือกระลึ ก, ล ก, ลกถึงกฎแห่งกรรมที่ทําอะไรไว้ได้เนีย่ยเด็กมาอบรมที่ลาไปวันนี้โรงเรียนพนพยาคาร์รู้กฎแห่งกรรมสิบลายที่เขียนไปรายงานให้เราทราบเคยไปฟันปิงอา่างเคยไปทุบปิงฤทธิ์เคยไปกว่างขามหมา ชาธุนักเขาก็จะเป็นอย่างนั้นมากรรมเห็นทานตานี่เด็กนะเด็กรักเรียนนั่งสามคืน4วันรู้กฎแห่งกรรมได้มีสิบคนในจำนวนสองร้อยได้สิบคนรู้กรรมว่าเดี๋ยวต่อไปจะปฏิญาณตนจะไม่ทำเวงกรรมต่อไปนี่อย่างนี้รู้จริงรู้ระลึกกรรมของตนได้เมื่อเป็นเด็ก อยู่ท่านปฐมเคยทำบาปกรรมพอมาเจริญสติประญานตมีสมาธิก็ได้ล็อกนี้ออกมาว่าเราทำกรรมไว้แล้วเราได้รับกรรมแล้วเป็นการเสวยกรรมออกมาอย่างนี้เป็นตน้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอืยถ้าท่านตั้งใจทาไปถึงขั้นตอนเข้าถึงในจุดมุมหมายอันนั้นท่านจะรู้กฎแห่งกรรมชัดเจน ทักทุกวันเวลาเราเดินจงกรมแลวนะั่งมันได้อย่างนี้เราไปเดินใหม่นะั่งมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนเดิมวันต่อไปไปเดินอีกหนึ่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงก็ไม่เหมือนเดิมมันจะมีอะไรผุดมาแปล ก, ปล ก, ปลกๆเรื่อยๆเลยเราก็ตีความเอาว่าเอ๊ทำไม่ได้ดีเหมือนเมื่อวาน เมื่อวานนั่งดีเหลือเกินสบายอุกตบายใจไม่มีเวทนาแต่วันนี้ทําไมมีเวทนานมากวันนี้กําหนดไม่ได้เลยเพาะเหตุใดอาจจะคิดอย่างนี้แต่วันก่อนนะที่นั่งสบายนะ่ะแสดงว่าครูไม่มาสอนท่านไม่ได้อะไรเลยนะท่านไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้แหมนั่งยังไม่ทานจะถึงสี่นาที ความรั้วไม่ทันหายความคลายเข้ามาแทบจิตใจก็หลอกแหลกออกไปนอกประเด็นคิดแล้วก็เสียใจคิดแล้วก็ดีใจคิดแล้วก็กลุ่มใจมีแต่เวทนาปวดเมื่อยจิตสกุลกายเลยก็ไปตีความหมายต่ำๆช้านๆว่าวันนี้ทำไม่ได้ผลนั่นแหละท่านทำได้ผลแล้วโปรดรู้นะกาหนดติดตามให้ได้ผลออกมา ว่าเวทนามีมากจิตใจก็ฟุง้งซ่านนานประการเพราะจิตสงบไม่ได้สมาธิเกิดมาได้ท่านจะรู้แน่นอนว่าท่านทำกรรมอะไรวะแล้วก็ภาวะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างไรสภาวะรมเกิดขึ้นยานไหนจะรู้แจ้งกระจายเรียกว่าตัวปัญญาเวลานั่งวันก่อนเลยสบายหลวงพอ่อ สบายไม่ปวดเมื่อยเลยวันนี้นั่งปวดเมื่อยจังเลยทนไม่ไหวเลยก้นร้อนเลือเกินทนไม่ไหวปวดมากคงไม่ได้ผลอะไรเลยนะวันนี้นั่นแหละได้ผลแล้วมันยังนงั่งไม่ปวดนั่งก็ไม่มีฟุง้งซ่านนั่งเฉยๆสบายปองน้อยยหนอ สบายจนน้ำลายไหลยืดน้ำลายไหลยืดออกมาแล้วแถมขี้หมูกหลายอีกแม้มันสบายวันนี้สบายใจไม่ได้กำหนดคิดไม่ได้จองได้นั่งสบายขอแท้จริงนั้นมดาด่าเลยเลยเนะี่ยที่สบายนั้นไม่ใช่ละเคลิ้มเคลิ้มทําไมรู้ไหม โอ้โหวันนี้ยานขึ้นสบายดิงพระทุธานั่นเนี่ยท่านหลับไปแล้วหลับไปแล้วดิงเดินอะไรนักหนาน้าลายไหล ย, ยืดแล้วดิ่งไงนะดิงดิงพระทุธาแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยสิทธยาสิทธยาเขานั่งบารพ่อวันนี้สบายนั่งทั้งวันแหมายานอะไรขึ้น สบายจริงๆนั่งแล้วเคลิ้มในถึงอดีตมาแหมมันมีความสุขมากและนำ้ำลายก็ไหลเมะเมะนี่เขาว่ากันไม่ได้เลยเลยเหมือนอย่างเราไปเรียนหนังสือได้กัะตัวตมาทวันไหนครูไม่มาสอนชฉยชฉยดีใจ วันไหนครูเข้ามาในห้องกูภาษาตีกัมาปูดหัวจังเลยเดี๋ยวครูไล่เบีย้ยเราแล้วไล่เบีย้ยแล้วปวดหัวจะแตกมานี่ไม่ทําการบ้านมาเนี่ยเรานึกว่าเรียกจะไปสอนนะเรียกจะไปสอนเราก็ดีใจรีบวิ่งไปหาครูทันทีทําไมไม่ทางการบ้านนะแปลงแปลงลูประดานก็นหัวมาสามเปาะ แหมน่กเรียกมาสอนเรียกมาเอาแปลงถูกระดานโคหัวเราเลยเราก็ออกไปห่างขอบพระคุณครูครับวันหน้าเรียกไปไม่ไปนี่ว่าจะเรียกไปสอนเรียกไปโคหัวท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยอย่าเบื่อในการปฏิบัติถ้าเรียนมหนึ่งท่านก็ปวดหัวอยู่แล้ว ครูมาสอนก็ปวดหัวแต่ขอเจริญพรว่าท่านขึ้นมอสองมาได้มอหนึ่งก็เรื่องเล็กไปปวดหัวที่มอสองปวดหัวพอขึ้นมอสามมัธยมสามมอสองก็เรื่องเล็กพอผ่านถึงมอหกแล้วมอห้าก็เรื่องเล็กพอสอบมอหกได้มันยมปลายเสร็จแล้วไปเข้ามาหาลัยท่านมัธยมศึกษาก็เรื่องเล็ก เล็กหมเลี่ยงเล็กไหมไม่ได้ยินไม่ยินค่ะต่ว่าเรสงสัยว่าหลอทราบได้ยังไงว่าน้ไหลม่ได้ไหลหรอกมันหยดลงไปําดแล้วค่ะแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรมันไหลออกมา เมี่ยหย่าเหียงไม่ได้นะเห็นนะนเห็นหนาะมันเป็นใช่ไหมมันเป็นแล้วนี่เน่ะ <c oughs> ไม่ต้องแอบแล้วพี่เกียรติพี่เกียรติเห็นแล้วเนี่ยพวกมาปฏิบัติเนี่ยรักษาระเบียบดีมากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรมากไม่มีการคุยกันเลยเสียงดังมาบุลังคา ลอดเข้ามาที่กุติแล้วน้ำลายไหลจะไม่รู้นะมันไหลแล้วมันรู้แล้วกำหนดแล้วก็กำหนดสิสหวานไม่น้ำลายอ่ะ <c oughs> ลองบ้วนใส่ถ้วยก็อยู่ห้กินดูบ้างดิ กำหนดซะจะไหมกำหนดเพื่อหน่อไว้ก่อแต่ว่ามันมันก็ยังมีอยู่เรื่อยมีมันออกมาไม่เป็นไรแ ล, ล้วนั่งเนี่ยบางคนบ่ามีกรรมอะไรน้ำลายไหลไม่จะมีกรรมอะไรแล้วมันหลเองมันหลเองบางคนนั่งมาเพราะปวดขาด้วยหน่อยมาแล้วเราก็จะเข้าโบสมาทำไมเนี่ย นักปฏิบายิเขาไม่ให้มาที่นี่แลมันดึกแล้วไม่ได้ต้องมาให้ได้ฉันนึกแล้วฉันต้องมีเวงกรรมเอามีกรรมอะไรมาเดี๋ยวจะเข้าโบสถ์แล้วแล้ข้อจบขานั่งสามวันขอโทษนะขอโทษนะเขานะนะพูดอย่างไงปวดตูกมากมาบอกเป็นอะไรหาเป็นอะไรมีเวงกรรมอะไรคะฉันไม่ได้เคยไปทํามา อะไรใครนะถามไปถามมาพิถธเท่านี้ก็มามาถามเดชดวงแตกแมเท่านี้เองเออเอลวงพ่อคะฉันก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอมันปวดแมมช้าดินงเลยนะฉันอยากทำเวงกรรมมาไาย ถามไปถามมาไม่ใช่เวงกรรมหรอกนี่ทวดวงแตกท่านี้เองเหรออย่างนี้จาไว้ขเขาจริญพรไม่ใช่เวงกรรมเป็นเรื่องโลกธรรมดาจะปวดหัวนี่ก็โลกธรรมดาถ้ามันเกินไปเนี่ยมันจะต้องเป็นกรรมเสยนยกตัวอย่างโยงอะไรฮีไม่อย่าจาได้ไหมที่เขายิงเข้าที่หัวเนี่ย ยมอ่อ น, นยมอะไที่บันโหวงชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ก็ตายไปแล้วปวดทิ่สะเจบวันจคืนเลยปวดมากกิญยาก็ไม่หายทาอะไรหายก็กาหนดปวดหนอปวดหนอก็เอาตายให้ตายทุกหายมีมิรมาเลยตอนที่เป็นเด็กวัดก็ช่งางวัดก็ช่างตายไปเนี่ยตบแป๊ะ แกมาจ้างไปยิงไอ้ขี้ยาที่ข้างวัดเตยกำลังสูบฟิลนต่กอ น, นี้เขามีโรงยาฟิลนก็ปืนให้ไปปืนแก๊บใช้เงินกลมสายไปยิงหัวระเบิดเลยตายถ้าจ้างยิงก็ไม่ทลายปฏิบาทิเขาเรียกหนึ่งช่างแกลืมไปแล้วเนี่ยจนแกอา ย, อยุต้องเกิดที่ายแล้วใช่ไหมตอนนั้นอยู่ที่วัดพรมเนี่ย ตาเนี่ยตนเนี้ยเลยระลึกได้แล้วก็แผ่เมตตาหายเลยอย่างนี้เป็นกรรมไม่ใช่ปวดที่ธาธรรมดาปวดที่ธาุธรรมดานีา่เราก็เหมือนกับทุกคนมันก็ต้องปวดหัวปวดอะไรเป็นไข้บ้างอะไรแต่นี้มันปวดตลอดไปเลยมันไม่หายก็กำหนดไปกำหนดไปตายให้ตายตายตายแต่ก็พุกขึ้นไปหาย ก็คือมาสมัยเด็กวัดสมัยก่อนอยู่กับทั้งบวชเลยนะเรียนหนังสือวัดเรียนกอข้ อ, ข อ, ข อ, ขอกอตาลงตาสอนนี่วัดก็ช่างเนี่ยตายอำเภอพรมนี่ไปสอนกระทั่งกลายจาบวชก็โตเป็นหนุ่มก็ไปยิงเข้าที่โรงยาฝิ่นตายรับจ้างเพราะว่าไอ้คนกินยาฝีนนี้มันมาลักข้าวลักของเขาก็จ้างเด็กวัดไปยิงให้การฉีบัด ยิงจนเขาตายไปเผาไปจนจะเป็นหนุ่มมีลูกมีเดียก็ยังไม่ลูกขยิงเนีย่ยโยงคนเนี้ยนี่นางกรรมฐานได้พ้นเลยว่าเป็นเวงกรรมที่ไปยิงเขามาพอแผ่เมตตาอย่างที่เราแผ่ไปแล้วก็นางกรรมฐานให้เขาเขายอมรับแล้วก็หายไปไม่ปวดที่สายต่อไปจนเขาก็อายุมากไปแปดิกว่าแล้วทิ้งตายตายก็ล่วงไปเอง มันก็แกกว่าไม่ใหญ่มั้งแกกว่ามนะั้งที่ที่บันโหงเนี่ยนะอะอันนี้เนี่ยแกกว่าตายไปแล้วนี่หละไปยิงแล้วหมอชะลอนั่งกับปวดหัวอย่างเงี้ยปวิอย่างเนี้ยพอกำหนดไปหายไปปั๊บล้มลึกชาิได้เมื่อชาติก่อนเป็นมอนดูที่ลาดบุรีไปฆ่าเขาตายที่น้ำตกเขาเอราวันจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเป็นลูกชาวมอญแล้วก็ตกน้ำตายเลย ล, ลแล้วเลยพอหน้าเสร็จแล้วแผลไม่ตาปั๊บก็นั่งได้แปดสิบกว่าชั่วโมงแต่พระธรรมบัติในสูดก็ต้องไปตายน้ำตกเขาเอราวันจังหวัดกาญจนบุรีโดนฆ่าตายตรงนั้นที่ไปฆ่าเข้ามานี่เห็นไหมอย่างนี้เวงตารรมเน่อ่านกดแห่งตามทอเรียงพิบู์เคยไปลงเรื่องนี้เรียกหมอฉลอ ทำกรรมาฐานคู่ก็ไม่ใหญ่มาเนี่ยแต่เขาทำเกง่งเก่งแต่ที่เมื่อชาติก่อนไปฆ่าเข้ามาตัวเองก็ต้องโดนฆ่าตายตรงนั้นที่อําตำบลอ่าตำบลอะไรท่าภูชาเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตะกอนยังไม่มีน้ำตกเขาเอราวัณเดี๋ยวนี้มีน้ำตกใหญ่ตรงนั้นเลยใช่โดนฆ่าตาย เนี่ยาดโยมทั้งหลายปวดทราบอย่างนี้กดแห่งกรรมเลยเด็กมานั่งกรรมาฐานเด็กที่ร้อยกว่าคนเนี่ยรู้กฎแห่งกรรมสิบคนเลยว่าตัวเองไปทำอะไรมาไอไอไอเคตาปาดเนี่ยมันมีท้องอะไรเนี่ยไปผ่าท้องมันเอามีดไปฟันท้องมันแล้วตัวเองก็เป็นท้องอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรก็เลยปวดท้องตลอดมาไอเคตาปาด ทองมันสันนั่ น, นเขาเรียกมันก็ทองโตๆมาแล้วเขาเอามีดไปขีดมันได้มันก็ทลักตัวเองก็ปวดท้องเลยมานั่งกรรมาฐานหายที่สลานโดยวก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ไปทําไอเกจปา ด, ดอแล้วก็รายงานมาฉาบนี่เด็กเนี่ยรู้กฎเห่งกรรมได้ชัดเจนหลายคนแหละแต่เราท่านทั้งหลายตั้งใจทำํำแล้วมันก็จะรู้ขึ้นมาเองไอายางน้ําไหลเนี่ยน้ำตาน้ำน้ำลายเนี่ยไม่เป็นไรบางคนเนี่ยนั่ง น้ำตาไหล่ตลอดน้ำตาไหลเข้าไหลออกก็ไม่ใช่ว่ากดแห่งกรรมหรอกมันไป็นปีติบางอย่างมันก็เกิดเองบางอย่างเราต้องแก้มันไม่ใช่กดแห่งกรมหรอกอย่างน้ำไหลไหลตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่กดแห่งกรมมันไหลเองพอไปช้ารวมเขาหน่อยมนะั้งพอหลับตาเขาหน่อยปากจูเลยไหล ย, ยืดเลยไหล ย, ยืดเลยปากจู่นะ เดอเอาละถึงไม่จู๋มันก็ไหลเห็นอยู่แล้วกันไอ้ตาเดียวก็หายไ ป, ไปเองไม่ใช่โกเทงกรรมมันจะโกเทงกรรมหรอเดี๋ยวจะไปบอกว่าหลวงพ่อข้าน้ํำลายไห ล, ไ, หลไม่หายยังมาเป็นกรรมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เวงกรรมหรอกคนละเรื่องกันแล้วเดี๋ยวเราปวดก้นปวดแหม่ไปทําไม่จะไปทำอะไรใครเลยมาถามเราเราก็จะเข้าโบสถ์ บอกว่าฉันปวดมัสามวันแล้วโอ้โหนั่งนี่มันปวดเรือเ้อรังฉันก็นึกกลับมไม่ออกนะว่าฉันเนี่ยไปไปตีตุกไขหรือเปล่าหรือตูกงูตุกควายก็ไม่รู้พี่โถจับได้เลยเนึกว่าอะไรอะไรมันแตกอะไรเมื่อกี้พูดเมื่อกี้เนี่อะไรอ่าลิซด้วง <c oughs> เท่านี้กดเหงมที่ไห่ล่างนี่ใครเป็นลิซด้วงเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกยาให้ เอาจริงหายยอะนะนะนินสดวงนี่ใครเป็นนิสดวงจะบอกให้ไอ้ตอนอะไรวิจิมเป็นข้อคอเนี่ยเนี่ยตรงนตอนอรนเนี้ยโดนไล่ใกินหายเนี่ยแถวนี้นึกไม่ออกเออเพชจะฆ่า อ, าอะไรสังฆาตนสังฆานึกไงคือมันเป็นข้อคอแล้วมาสับสับสสับเที้ยวกินหาย ถ้าใครไปเชดวงถวานนี่หายรับรองกินแนวหายมันไม่เป็นกินกไปเถี่ถ้าเป็นยังเป็นอีกมันก็ไม่หายจ้ะเนี่ยตรงนี้มีมีต้นนะเปสังฆาเพชรสังฆ า, งากินแนวหาย แล้วคนที่เป็นอะไรเลือดออกไรฟันหรืออะไรเลือดน้ำดาวออกเน่ยเนี่ยคนที่มานาั่งกรรมฐานเนี่ยน้ำดาวออกเลือดกรรดาวไหลทั้งจมูกเศษโลหิตแตกไหลเขาบอกว่าคิดอะไรก็มันก็ไหลเลือดทั้งปากทั้งจมูกไม่หายไปโรงพยาบาลสิงบรีเยอะก็เป็นจะบอกให้เลยนะยาผีบอก ใบพุษาสามกำมือรู้จักใบพุษาไหมเอาใบามันอย่าไปเอาลูกมันใส่กาต้มยาเขาเย็นเหนือเย็นใต้ยาเงีนน้นสี่บาทต้มกินหายเลยไอ้กำเหลาที่ออกเลือดออกทกํา่อมูกนี่หายเด็กขาดจำไว้รู้จักใบใบพุษาไหมไม่ใช่พุษาแบบที่เขาขายเลยนะพุษาตามทุง่งพุษาที่ เราไปเก็บกินอ่ะไม่ใช่ลูกโ ต, โตโตนะลูกเล็กๆเอาใบมันสามกำมือคุณนายลองเอาไปจดไปจำอ่ะเพื่อจะไปเจอคร่ะเลือด ก, กัมดาวออกเนี่ยได <c oughs> ้เป็นนักเรียนเนี่ยเลือด ก, กัมดาวออกทั้งตมูกทั้งปากเนี่ ย, ยกินใบผู้สาต้มกินต่างน้ําเบหายเนี่ยเย็นเหนือเย็นใต้ยอย่างสี่บาทจําไว้เลยยาเด็กเผืจะไปเจอใครเขาจํา นุกได้ก็ บ, บอดมียาเยอะเนี่ยเรเพชรอะไรเพชรชังคาดเนี่ยกินหายแล้วใครเนี่ยเป็นมะเร็งที่ตับหมูเนี่ยมันจะฟีบจะกินหมดเลยทั้งลิ้นเรื่องไรเนี่ยกินในขาะหายแต่มันจะหายทุกคนเปล่าวานหันตะแค่ กินเนื้อมเลยตอ ก, กินเนื้อเลยเนี่ยตัหมูกเนี่ยหายเลยเนี่ยกินตัมูกหมดเลยนะคอเคิกินหมดเลยเนี่ยคอนี้น้ำเหลืองไหลเหม็นเนี่ยกินว่านหางตะแค่หายเลยกินดิบีบเลยนะหวานฝานแล้วก็ใส่ตู้เย็นไมากินวันละสี่ชิ้นห้าชิ้นหายจําไว้จําไว้ว่านหางตะแค่บางทีบอกยายเขาเขาบอกที่ไหนมีอะไรหลวงพ่อคะ อาตมาปลูกวันนี้กระถางพอบอกเขาไมาจะสี่ห้าวันพวกยกกระถางล้วไปเลยหายหมดเลยโอ้โหเขาบอกที่ไหนมีระยะแบบเนี้ยบอกนี่ปลูกเขาไม่เลยฮะสามวันหมดเลยยกกระถางไปเลยเอ๊ยกกระถางไปอาจะไหมนะอา้าเอาแค่นี้เ น, นี่ยเนี่ยเป็นที่จมูกเนี่ยเป็นที่คอเนี่ยไอ้รอดคอเนี่ย แต่บางทีเนี่ยไม่น่าจะไปพาเป็นเบาหวานอย่าไปผ่านะอย่ากินว่าอาหาระแคงหายนะกินดิบนะกินดิบอย่าไปเชื่อมน้ำตาล น, นะจำไว้มันต่ก็ขอพระทานโทษมันก็ไม่หายทุกคนแต่บางคนเอามาต้มให้กินบุตรบางทีแล้วหายจนเหม็ไม่เป็นไอ้กําดาวเลือดกําดาวไอ้ใบพุกษาสามกํามือ ยาเขาเย็นเหนือเย็นใต้หนักสี่สี่บาทใส่กาต้มกินต่างน้ำเลือดกันราวน้หาย้วหายเด็กขาดจำไว้นะเอาวันนี้ก็ขอหมดเวลาก่อนวันนี้ทั้งวันเนี่ยตลอดต้นมาจนชมลมโรงพยาบาลทนบุรีมาทั้งแพทย์หมอที่ ก, กระเกษียณจะชมลมอายุไม่มากห้าหกสิบสามคนมีอายุแปดสิบมีไม่มีเลย ชมลมแต่ว่าคนแก่ก็ไม่ใช่นะเราดูแล้วมันไม่แก่แล้วบอกคนแก่แลนะเขาบอกว่าไม่ใช่เขามันเป็นผู้สูงอายุอย่าไปว่าคนแก่นะนี่คุณแก่่าเนี่ยไม่ใช่สูงอายุนี่เรานี่ยนะบวชใหม่ๆนะแม่คุณนะหลวงพี่ไปไหนหลวงพี่ไปไหนเรื่องโซฟาเรื่องธรรมดาเรียกหลวงพี่เรื่องธรรมด า, มดาบวชนานนานไป หลงห น, นานานไปอีหลงลุงหลงลุงหล ง, ล ง, ลงตาหลงพ่อไม่มีหลวงพี่เมื่อสามปีผ่านมามีคนเรียกลุงพี่คืนตะลิงหายเหนื่อยเลยเรียกลุงพี่และคนที่เรียกลุงพี่น่ะก็บอกว่าแม้ท่านนี่ลืมฉันง่ายฉันนี่ไม่เคยลืมท่าน หลวงพี่ยัลืมคนง่ายเราก็นึกในใจรูปร่างมันสวยด้วยโนมพาแดงปาร์่ะงปากก็แดงปาดหูก็แดงแล้วก็บอกเอ๊มันลูกเต่าเราใครเรียกเราหลวงพี่หลายปีมันมีคนเรียกหลุงพี่ขึ้นตาลีงหายเหนื่อยเลยพอเลยไปก็ถามบอกชายไอ้เจ้าวันชายนะไอ้คนขับรถอ่ะถามเขาที่ว่าคนนี้คนใคร ก็ถามป้าครับคนนั้นเป็นใครเออไอหลานเป็นไงแล้วก็ามาทาหลพ่อเรียกลวงพี่อ๋ออีคนนั้นเหรอที่เดินอยู่ทิงขาใช่ไหมมันเพิ่งสเ็จมาวิัลามาแล้วนึกว่าธรรมศาสตร์ด้ตุลาปริญญาโทงไงล่ะเดี๋ยยายป้าเนี่ยเขาบอกไม่ใช่หรอกมหาวิลยัยศรีธัญญาศรีทัญญา เ, ออเลยเหนื่อยตามเลย แหมหลงวางตัวใช่วะแหมเรียกหลงพื่เปล่าสมเด็จมาหาวิัยมาตั้งแต่นั้นไม่เจ อ, อเลยแล้วเขาข่าวว่าตายไปนะแล้วแหมสมเด็จมหาวิไลเรานึกว่ายัางต่ำต้องปิญญาโทเนะาะรูปาสวยอ่ะเปล่าไม่ได้ปริญญาไปอยู่สามปีสามปีกว่าจะกลับมา พอกลับมาได้เจอเราเรียหลวงพี่เลยไม่เราก็วันนั้นก็มาได้สีที่พึ่งนะเรียกหลวงพี่ได้อย่างไรนะคุณนายนะอันนี้มันเด็กโกหกวะนี่อพยาตาคใช่เนีหยเจ้าชายมันตายใช่ไหมชายเป็นพญานา้ก็บอกผมบอกหลวงพ่อไม่เจออผมไปพูดกับมันทํามากเองนี่มันไม่รู้จริงมันข่านะย่ยเขรยกขาหลวงพี่ข้ามันก็เต้นเต้นใช่ เลยอเจอ้าชายบอกเลยเวนละอกันมาเรื่อยขึ้นรถหลวงพ่อผมบอกแล้วแต่งตัวผิดปกติแลวงพ่อไม่รู้แลยเขาแต่งตัวผิดปกติเราก็เห็นเขาแต่งตัวเออคงจะเป็นดาราดาราทีวีเขาแต่งตัวก็นอยากก่างนี้ไอ้เจ้าชายมันรู้มันไม่บอกเราเราจะบอกเราสักหน่อยก็ะด่าเลยเราจะได้ไม่คุยกับเขาเนาะมันหลอกให้เราไปคุยกับเขาสั้นนานเนาะ หือใครจะไปเจอมังงานยมปูนเผือกจอมากก่อนันนะแต่พยานตายเนี่ยเราไม่มีพยานสารไม่เชื่อดะชายมันตายไปซะแล้วจะขอมโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายที่ได้มาบะเพงกุศลที่เราปฏิบททัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติไปติดต่อนอกเรื่องกลับไปบ้านก็ทำต่อไปมีอะไรก็กำหนดเป็นตัวชะตากรรมในชีวิตของเราที่ดีที่สุดจะ ข, ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยงอกงามไพบูรณนประชาชนาขององค์ทุ่มเดปชปัจัมมาทุ่มเดชเจา้าจะขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขาระละปฏิพานนาจ า, า, จารถมบัตเนื้ตเกสรหน่ประการได้งความมุ่งมากนศาสนาด้วยกันทุกรูปทุกนามในโอกาสบัด น, นี้เทินลาพโลข้าวินมวโาปัจฉาปาวัน สีโตสามเวรมาติการโตนี่ยโตจัดวังพาวาเพียงวิวจตุสามลวงวนวินานตุมานพาวานวันตลายส เทียนเทียนการยุควันวันพิวานนสีเทียนการบัวปัจจัจตตาลธรรมวันติอายุวนอนสุกทางอาลงฟวังตัว ตาพมังกาลังกางันตุทรามเตาวัตตังทามบาคุณทาโนภาเวนัชธาโสติอวันตุเตมตุชาพมังกาลังลังคันตุชา วันตาจามพะทามานุบาเวนัสสาจดพวันตุเตยพวันตุชาพมังกลังคตุชามเทวะตาชะจังฆนุ พาเวนสะสัทาสติพรวันตุเดที่เราตั้งใจมาเจริญสกรรมฐานก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะแต่บางคนก็มีปัญหาอยู่มาก การปฏิบัติทำไม่เด็ดผลก็เนื่งองจากว่ามีสติน้อยมากที่จะควบคุมจิดได้การจเจริญพระธรรฐานนั้นต้องการจะลงในลงขบวนการของสติให้อยู่กับจิตให้ถึงได้ถ้า <c oughs> บางท่านมาปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถจะขบวนการให้ลงนลงให้มือสติอยู่กับจิตได้ สติก็ขาดตกบกพร่องไปเพียงทำมาดียวผลการมาเดียวรำมาดียวผลนั้นมาจากการย่อพ่อและพ่อถอยการปฏิบัติไม่ได้จริงขาดสติไปบางคนก็ไปอาหลายรูปแบบเดี๋ยวอย่างนั้นมามาอย่างนี้เป็นต้นจะเล่นกันหลายอย่างหายใจเข้าออกพุโทโธบ้างอลาหังบ้าง มนมลยยิธีบ้างแล้วก็ขาทสติไปเรยก็ทำไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเกิดขึ้น <c oughs> มีจำนวนมากแล้วแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจมาจริงแต่ไม่สนใจฟังครูบาอาจารย์สอนเอาแต่เอารมของตอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวทำอย่างโน้นไปหลายวัดหลายว่า หลายที่หลายทางเลนไม่ได้ลายกลับไปหน้าทิศายอันผิดหวังอย่างหน้าทิศ <c oughs> การจะเจริญสติก็คือการปฏิบัติธรรมะการทำทั้งหลายไม่สามารถจะลนลงเลือ น, น, นสติได้ไดแล้ยจะหมดโอกาสที่จะมีธรรมะประจันจิตไม่มีธรรมะประ จ, จันใจเพียงจะลืมวิชาการ รี่หลักฐานธรรมะแต่มันกลายเป็นคนรู้มากไปมันไม่มีความรู้จริงไอ้คำว่าไม่รู้จริงมันคืออะไรคือปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ผลกาใจมาแล้วก็ผิดหวังเป็นที่นาท้่ไายเวลามากแต่การปฏิบัติทันธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมดาน ไม่มีอะไรวโสวิโ ส, โสเหนือไปจากการมีสติอยู่ก็บจิตเราเนี่ยแต่และห้านาทีนะั้นเราพูดกันถึงเรื่องสติปัญญามากแต่ทำไมหนอจะใช้สติให้เขามาอยู่กับจิตให้เกิดปัญญาแม้แต่เวลาห้านาทีก็ยังทาไม่ได้ไม่มีสติควบคุมจิตัหนเมื่อไม่มีสติควบคุมจิตแล้วท่านจะไม่มีธรรมะทุกชนิด โดยธรรมชาติก็ฝืนใจไม่ได้แม่นอาอกมากเป็นอย่างโน้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างก็พูดกันไปตามราพระพาภุมท่านทั้งหลายต่ท่างขายขาบวนการของสติที่การจะเ ร, ะระะี้ยสติปัฏฐานสีเนี่ยต้องการจะเรวมขบวนการของสติให้อยู่ในจิตให้ได้กายนุปัชนาสติปถฐาน กายไม่มีสติจะยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวกลายแด่ขวาขาดสติสัมปชัญญะท่านจะไม่มีธรรมะประจำคิดไม่มีธรรมะที่จะรู้เตัวว่าจะได้มีข้อคิดการปฏิบัติ 4, สติปัญญาสติสัมปชัญญะเป็นการลนน์โลนสติ ให้เลือกเรอมไว้ในสมาธิให้อยู่กับจิตสมัมปชัญญะจะได้รู้ตัวปรับพระแปลว่าธรรมะอยู่ที่จิตเนี่ยการจะทำอะไรก็ดีหมดย็นหนอห้าครั้งก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวก็จิตออกไปวอกแวกไปกวันแหวงไปพึ่งช่าในนาประการเราจ็งต้องลวนลงไอ้เรื่องนั้นเรื่องสติตามถึกให้ทำ เมื่อิี่มันวายมากมายยิ่งกว่าเครืบินปัญหามันอยู่ที่ข้อว่าเอาสติตามจิตทันไหมเดนเินจนกลมเดินให้มันช้าเลยนะสติตามจิตม่ทันโลยขวาย่างเข้าไปก็วายเพราสติตามจิตในทันมันจะย่างช้าวายยนหน่อห้าครั้งมันก็จะวายโดยขาดสติ เมื่อมีสติอยู่ในจิตใจทุ่งทงนันแล้วไหนเลยอาจารท่านจะได้ผลการมาปฏิบัติธรรมะเพื่อล่นในลงความรู้เพื่อต้องการรู้ชีวิตล้นในลงความคิดต้องการมีสติอยู่ว่าเกิถึงก็มีความคิดอยู่ได้แต่ทางขาดสติมาใดความคิดท่านจะเหลวแหลกแตกลานคิดนอกประเด็นนี้ อาจจะมีความรู้มากมายกายกองก็กลายเป็นรู้มากไปไม่ใช่มีธรรมะคนที่มีธรรมะประจําจิตแล้วนั้นก็คือมีสติควบคุมไม่ได้กาสติท่านควบคุมจิตท่านไม่ได้แล้วท่านกาหนดอย่างก็ไม่ทําด้วยความตั้งใจแต่ตั้งใจทำแล้วด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่น ต้องได้ผลทุกรายมาลองมากเงินกินนำจามสองวันเปิดแล้วไปแล้วไม่ได้รายขึ้นงะก็ไม่รู้โ ม, โมก็ไม่เห็นธรรมะก็ไม่เข้าใจก็สติจะตั้องอยู่ไม่ได้ท่านแสดงว่าท่านสินไม่มีเลี่ขาดความปกติไม่เป็นคนปกติภาวะไม่ถู่ความถู่ความไป็นปกติท่านจะมือสินได้อย่างไร าราคาถึงขาดสติท่านจะเสียสัจจะหยาบเสเวลาตามของท่านมากมัจะน้อยที่เราพูดกันมานานแล้วเราใช้สติปัญญากันมามากแต่ใา่ไม่ถูกติดเมืองหมายอันนั้นขาาดสติมาใดจิตท่านจะไล่ธรรมะจิตท่านจะปวาดแกนจิด จ, จะพุ่งครา บ, บจิตจะละหลังไหลไปสู่ที่ต่ำ เอาความดีอันใดเล่าจะเกิดขึ้นแต่ท่านเองากางเจริญกรรมฐานาต้องการตรงนี้เป็นจุดสำคัญแล้วขาดสติจะเอาพุโทโธเอาละหังเดี๋ยวก็สุขโตสุะโ ต, โตเดินก็ะเป็นกลางสวนสนามไปจึกมันก็วายขาดสติขาดปัญญาจะไขปัญหาไม่ได้ ในเมื่อแต่ไขปัญหาไม่ได้แล้วจิตก็วุ้่นวายจิตก็วุ่นวายจิตก็ส่งก็แสไม่ทาางที่เ ล, ล็วแรงเราก็หาว่าเป็นการถูกต้องแต่กลายเป็นถูกใจท่านจึงทํากรรมฐานไม่ได้คนที่ตั้งใจจริงๆแล้วพยายามเอาความเพียร น, นี้ให้ได้ผลพยายามต่อไปท่านจะได้ผล ถ้าท่านมาแค่วันเดียวสองวันถ้ท่านจะได้อะไรกลับไปหรือกลับมาพุ่งชานให้มาไ ป, ปเปล่าไม่เกิดประโยชน์ช น, นทนุพนใิการได้บางท่านก็ถืเอเจ้าเข่าชงตลอดราการแล้วจิตก็เขวเป็นพม่าเหตุพม่าเขวตลอดราการจิตก็เข ว, ขวยไข้หวจิตก็สับสนจิตก็โอลมาน เลยขาดสติขาดสัมปชัญญะตัวาะธรรมะจะอยู่กับท่านได้อยู่เลยก็กลายเป็นธรรมะเหาะแ ย, ยะตรงนั้นเหาะแย่ตรงนี้ทำอะไรก็กลายเป็นคนเลวไ ล, ล่หละหลวมเหาะแหละเห ล, ะ ล, ะ ล, ะละื่อยเลยกลายเป็นมนุษย์บริคนมย่อยลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวก็ขาดสติที่จะเลี้ยวรถพคชนทะทำอะไรก็นาเวชนาที่โชด อย่างนี้ท่านจะไปได้อะไรยุ้งไม่ได้หรอกจะบอกให้จะมาบวชเป็นพระปิชฌแต่ก็มาได้วบวชด้วยศรัท ธ, ธาตามเพื่อนเข้ามาบวชนั่นแหละจะไปอวดใครไม่ได้คนประเภทนี้ไรทำ ม, มงแต่ต้นเขามาบวชชีวิตนี้จะแหลนแขนห่อแขกบอกเลี่ยมมารีเนี้ท่านจะเล่ยนดีได้หรืวอว่าคนชีวิต ญาติโยมอมาโสบบณฑิกาที่มาเจริญกรรมฐานต้องการอะไรขอถามต้องการไปฉวัตรหรือต้องการไปดิพานต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตไหมต้องการจะแก้อะไรเราแก้กรรมตรงไหนจะกระทําอะไรเราก็ไม่พอใจเลยท่านก็พลอยกลับไปอย่างหน้าที่ได้หน้าที่ได้มากทีวิตย์ก็ไร้ข้า เวลาก็หมดไปจะทําอะไรมันก็มาไดเร่ยงไดลาวเปลี่ยนเวลาที่นาทีิดาที่ท่านตั้งใจมาขอให้ตั้งใจทำทำด้วยความตั้งใจจริงหญิงจะได้แท้ผู้แขหน้าบูชาชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นผู้แขกไม่มีใครบูชานับหน้าถือตาแบบประกานออกมาอย่างนี้ชัดเจนนะรามาเจริญธรรม องการจะให้จิตยึดมั่นถือมั่นในความดีเพื่อการมีสติยึดให้จิตมันอยู่ที่ให้จิตใจไม่แกวงไปในทางทั่วมันมีความหมายอยู่มากไม่ใช่นอยไม่ใช่พูดโทรเึ่นจะไปสวรรค์นั้นจะไปนิพพานแผลชั้นบาดมนุษย์ก็ล้วรักษาไม่ได้ถึงตัวเดียวก็ยังไม่เป็นกปกติขาดสติขาภาวะ มาเป็นสูความเป็นปกติแล้วท่านจะได้อะไรหรือจะไม่ได้เลยเลยมาบวชเป็นสงฆ์องค์เจ้าหรือมาบวชเป็นชีสร้างความดีไม่ได้หน้าอับอายขายหน้ามา่อับอายขายหน้าผีสางเทวดาออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากผู้ที่มาสร้างความดีเนี่ยตั้งแต่ต้ตนบอกเรื่องดีแล้วเราก็ตั้งใจเล่นตำเรื่องตำรตำาว ตามสิ่งที่ต้องการถ้าจะได้ไม่ผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวรับขันห้ามาจากไหนก็ไม่รู้รับขันเข้าท่องเป็นองค์สูทรเป็นเจ้าบะเป็นนางงางป้านางสวรรค์บ้างเลยก็พลาดผิดชีไม่จะอับเฉาขาดสติธรรมาชฉันยะไปอย่างนี้เป็นต้น นักเมเจอหนังอัอยางครมูครั้งโคเมเจอหนางวลัง เ, เทเทนาสัตววัฏเทนโหตุเตชยมังพะลังหิข้าเจ้ า, า, าเป็นที่พึงมดาสตายชนะโคเสลานะเป็นที่พึงดาบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นที่พึงดัดรสลณะสูงสดที่เราควรเคารพบูชาคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณขอพณงพระธรรมคำสอนคุณข อ, อ, องพระสงฆ์องค์ประาวก เราองได้ดำเนินวิถีชีวิตสู่มรรคผลนิทานมานานแล้วทางเช่นนั้นก็คือทางสาย อ, อ, อ, อกเพราะพระเบโลโยคอนเชติที่แองแคลแรมมาสองพันกว่าปีแลบบ้วมันมีเจือจางหายไปจากโลกนี้เลยแต่ใครเหนอจะทําโลกให้มันสว่างจิตใจมันมืดเงินอนาพอร้อยจิตจะหล่อเลยการชีวิตก็อกับเฉาเบปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ถ้าใครยึดเหนี่ยวัฒตนา迦รไม่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งท่านใจท่านผู้นั่งจะมองโลกกระสุนใสจิตใจก็สะอาดจิตใจก็สงบสะอาดสว่างสงบจารลบทำได้แต่จิตใจไม่สะอาดแล้วมันจะเกิดความมืดถ้าจิตใจสะอาดเมดื่อใดมันจะเกิดความสว่างคือปัญญามันนั้นสามารถโดยจิตจารลบความสงบ เงียบสงสัดปฏิบัติธรรมนั่นแหละท่านจะสร้างพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมสแสดงออกได้ดีมากแต่คนเราเดี๋ยวนี้พฤติกรรมไม่อยสแสดงออกหน้าที่ได้ อ, อมาทางกายก็มีวาจาพูดสวาจาพุดสว่าว่าพูดเท็จพูดคลอเรียกคำยาเพื่เจรยตลอดในการ อ, อมาทางด้านวาจาแง่มี่แหลท่านทั้งหลายเพราะมันไม่สงบกายไม่สงบจิต ชีวิตนี้ก่อจะแล่แงแพนทำอะไรก็ไม่มีแบบแต่แผนผังทำอะไรก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการเลยกลายไม่มีคนมีหัวมีหางไม่ไม่มีแบบฉบับการประการใดศีลอาจะละวัตก็หมดไปการเจริญกรรมาฐานต้องการจะหาที่สงบสมาที่ไปล่มใหญ่ภายในย่อมเย็นเย็ น, เ, น, เ, นเป็นศึกออกมาอย่างนี้จะไม่อยู่ร้อนนอนทุยต่อไป คนที่อยู่รอนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่ยคนนั้นไม่มีธรรมะไม่มีกรรมฐานไม่มีจิตเป็นหลักฐานไม่มั่นคงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีหลักฐานนั่นเองคนเรานื้ขาขาการเป็นตัวของตัวเองกลับไปเพลิดเพลินคนอื่นต่อไปจิตใจก็ออกไปนอกภูมินอกทางนอกขอบเขตขันพัตติสีมา จะเป็นท้าสงองค์เจ้าของอกขอบเขตไปเองจะเป็นอุบาสกบริกาก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธิการไหนเหลยวจิตใจของท่านจะเข้าภาวะสู่ความเป็นกปกติได้การจเจริญกรรมาฐานต้องการภาวะนี้จเจริญธรรมธรรมแะแปลว่าทอละละนอไม่ใช่ทอสลามไม่ใช่การทำแต่ธรรมะนี้เป็นสภาพชีวิตทำให้เกิดแสงสว่างของจิ ชีวิตจะได้ไม่เป็นหมันทำอะไรจะได้มีทรัพยากรชีวยตเป็นข้อคิศของธรรมเรียกว่าทรเลลอมเปรแรวว่าธรรมะธรรมะแลวว่าเปิดแฉงสว่างธรรมะเปิดแฉ ง, ง, งความสงบจิตใจปรถถาลบธรรมจะมีความยุ่งเรียงวัฒนาสท้ า, าพรตลอดการประวสารตร์นชีวิตแห่งหามา การมาเจริงกรรมาฐานบางคนมาสองวนันเดินจรงกรมยังไม่ได้กราบแล้วไปเอาอยัางอื่นอีกนะกลับจงโอลมานฟ้าน้ำเหลือวตลอดเลยการไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีสิงไม่มีสมาธิขาดปัญญาอย่างนิ้งสิงก็คือสติสิงก็คือสัมปชัญญะมีการลือ้อเตร๋ยวอยู่ตลอดทั้งลมจะหายใจเข้าออกทองหนอยกหนอให้มาได้จังหวะ เดินหนอให้มันได้จังหวะเพราะจิตมันเร็วตองตามจะให้จิตกัปสติมันอยู่ด้วยกันมันจะได้ช้าต่ช้าจะได้พล้าสองเล็งงามใจเร็วดึงันได้ตามผวาขาดหุ่นใจพายเธอแม่พายพ่อพายตลาดประวายใช้เบี้ยวจนนาวพายเธปลาผัดมันตลาดตะวายใช้เบี้ยวจนนางแล้วพายได้อย่างไรโชคก็ไม่แก่หลุดแก่ติดแก่ก็ไม่ไขาย เลยก็ายติดโซ่ตลอดไปติดโน่นติดนี่ติดงานโน่นติดงานนี่เลยความดีก็ไม่ได้ไม่สามารถจะถึงกับถือจิตใจของบุคคลนั้นได้เลยก็ลายฉลาดไม่ใช่ว่าทําได้ไง่ายแล้วก็ไม่ยากนะกระทั่งนี้บุญวัฒนาท่านจะทําได้ไง่ายคนไร้บุญวาฒนาเนี่ยจะทําไม่ได้เลยเพอจะเดินตรงกล ม, มก็เกียบขี้เกียจ ไม่อยากจะสร้างความดีคนประเภทนี้กำลังชั่วไม่รู้ตัวความดีเนี่ยทำได้ยากไม่จะเป็นของง่ายต้องลงทุนความละบากยากแค้นลำแขนใจแต่ความชั่วเนี่ยชอบนนตัวื อ, อบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายตามน้าเผลอ น, น้ำใจตลอดตามใจเตี้ยตลอดเลยไม่มีการขัดไม่มีการฝูนใจจึงขาดธรรมะธรรมะแปลว่าฝนจิ ให้มีสติให้ด่ากลับฝืนผิดไม่ได้ขาก็ติจัมพชัญญะก็เลอะทะเลอะเทอะกลายเป็นโคลเหลวแหลกแตกกลางหาความสาลานไม่ได้เลยก็กลับไปอยู่ร้อนนอนเถอะหาความสุดไม่ได้ตลอดชีวิตชีวิตนี้จะเป็นหมันชีวิตนี้ใั้พยากรชีวิตจะไม่เกิดขึ้นคือธรรมะเน้นว่าทช้พยากรมีชีวิตดีพฤติกรรมก็แสดงออกบอกทางกายก็เรียบร้อยวาจา ก, ก็เพล จะพูดจาก็หมอดเจาะจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลคนที่ไล่ธรรมะดูได้เลยปฏิบัติเลเธอะขาดจิตวัดขาดการปฏิบัติหน้าที่ขาดการรับผิดชอบตัวเองในมากการขาดการรับผิดชอบตัวเองแล้วไหนเอเแาจะไปรับผิดชอบคนได้คนนี้ได้ขต่เป็นพ่อเป็นแม่ครับไม่รับผิดชอบตัวเองนะแล้วท่านจะไปรับผิดรออชอบลูกได้อย่างไรไม่เป็นการนํา ความรู้ให้กับลูกไม่สามารถจะนำความคิดให้กับลูกไม่สามารถจะมีสติปัญญาจะแก้ไขให้ลูกดีได้ออกมาเป็นบทครูบาลบทธรรมอย่างที่กล่าวแล้การปฏิบัติธรรมจรงยากยากสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจคนที่ไม่มีศรัทธาแต่มีศรัทธาแต่ขาดวิริยะขาดสติฉัมภัชญยะไหนเลยล่ะท่านจะมีสมาธิ อาจจะมีสติที่จะแก้ไขปัญหาของท่านได้ม่จะสร้างปัญหากับผูกปัญหาเดี๋ยวจะไปเจ้าเก้าชงเสียาจะมีสติไปอย่างนั้นลอยขันห้าก็แตกแหลกลามรูปโดยสมาธิยาทั้งฐานก็ไม่เกิดขึ้นอะไรหนอรูปอะไรนากตายชีวิตนี้คืออะก็มีกาย ก, ายกับสิทธิ์รูปกรรมนามเท่านั้นตื่นจะต้องมเมืองงานผู้มีชีวิ ต, ตมีสติอยู่ที่จิ ตายก็ติดก็ได้สามารถคือกันมีการแก้ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นก็เพราะหน้าได้อย่างแน่นอนถ้าคนดีมีปัญญาก็จะสนใจสวดมนต์ยหวพระที่เรามาตาวัดในโบสเนี่ยหนึ่งก็ต้องการจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยพุทธการฟังโอวาทของท่านตอนเย็นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งตอนการจะมาห้อมลอมฟังโอวาทของทุกเจ้า พระพุตรเจ้าของเราเสด็จดับขันธ์นี้พ่านสองพันกว่าปีแล้วจึงเป็นประเพณีให้เรามาทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเป็นต้นก็เป็นประเพณีนิยมของพุทธกิจิ้าประการขององค์พุทธเจ้าที่เรามาโชยโลยเยอสดโลยโบชกคลายว่าเป็นกําหนดของทันตบูดีขององค์ปฐินาสีสักดาธัรมาทุปุตตเจ้าเราจึงมาเข้าเฝ้าทุกวันไม่ขาดทิจวัด ไม่ขาดการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นชาวผู้ติดแท้จริงชาวผู้ติดจอมปลอมแล้วไม่อยากจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วไม่อยากจะประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ประการใดเลยก็แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายกลับไปบ้านแล้วมันสวดมวนต์เป็นนิสงอธิษฐานขึ้เป็นประจำอย่าทิ้งงานแนะหน้าที่โปรดรับผิดชอบตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นคือกรรมฐาน จะแผ่เมตตาก็ต้องโอ้โหสิ ก, กรรมก่อนอย่าปลูกกาเจ็บหรืพยาบาทค่าไปยืนยบ่งต่อท่านปุณใยว่ามีจิตใจของท่านแต่จะแผ่เม่ตาไม่ออกจะแพ่แต่อักขุชอนไปให้คนอื่น เ, เขาแป่ไปให้พ่อแม่แต่พ่อแม่ระเดืดร้อนแผ่ไปให้ลูกลูกก็เดือดร้อนนั่นอกักขุชอนระดับถ้ามีเมตตาจึงไม่เืลอทุกลโดยโธจักแผ่ให้ลูกลูกก็ดี แต่ให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกโดยดีมีปัญญามีหลกักฐานมีงานทําคูกครองอันใดก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันมีมนุษยจะสัมพันธ์สัมคมก็จะเกิดขึ้นทํห้องนี้เป็นตน้นถ้าบุคคลใดฉนใจแต่ความดีแล้วมันจะไม่กลับไปที่ชั่วไม่ทําตัวให้เหมอง ม, มัวแล้วและแล ะ, และ ม, มัวเมาในจิตใจจะประการใดนี่ตรงนี้เป็นจุดธรรมะ หากใครมาบวช ด, ด้วยการปฏิบัติธรรมจะเป็นโยนหญินก็าตามก็าสามารถปะทษแทนพระเดชคุณบุดรมารดาไดา้อย่างสมค่าจ่าทำงานเรามาสร้างความดีให้พ่อแม่เราพ่อให้หุ่นใจแม่ให้น้ำเดือดน้ำเหลืองสร้างความดีก็จะพดกับพ่อแม่ในการกรตันยิ้วว่าแต่วเวทิตาทําให้ข้าวต่อน้ำนํำนมแม่ได้ชัดเจนใช้มีแม่ใช้มีพ่อ สามารถจะให้ช่วยพ่อแม่ให้ตกภหยอาให้ขึ้นจากนรกได้มีตัวอย่างดีมากมายมีเรามีการบวชของโยมหญิงโยมชายก็บวชแทนคืนบิานดามารดาบวชให้ชิงใจเข้าไปชิงรสประธรรมถึงจะรู้ว่าน้ําใจของแม่เป็นอย่างไรน้ําใจของพ่อเป็นอย่างไรแต่ทําถึงขั้นดำถึงที่ตามความชีถึงขั้นแรงอาจจะติดจะไม่กลับไปถึงที่ต่าจิตขั้นจะไม่ดา ขั้นจะได้งามจะเกิดแสงสว่างและเกิดความสงบจบเบื่อเวทใจเดือกการมีสติธรรชัญญาอยู่ที่จิตใจตลอดนี่คือกรรมาฐานที่เราได้มาเจริญการจะได้มากน้อยบ้างก็ตามขอให้ไปเจริญบ่อยๆทําติดต่อกันไปโดยเสมอต้นเสมอปลายคนเราถึงจะดึได้ถ้ามองงงว่านั่นดีไม่ได้เนี่ยดูในท่าปฏิบัติของเขา เราจะรู้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีดูเดี๋ยวเดียวไม่ได้ต้องดูนานๆดูคําพูดทีกจริงไหมดูการปฏิบัติพฤติกรรมเขาสแสดงมาอย่างไรหากเข้าก็จะรู้ได้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีทัวร์ดีที่ห่างประดามดต้องอาศัยดยูเวลานานดูเดียเด๋ยวเดียวก็จะไม่รู้เดี๋ยวก็สแสดงออกให้เราทราบคุณได้คนนี้พูดไม่จริงคนนี้พูดเลอะแหลกแตกลานคนนี้อัจฉริยะใัยไม่ดี คนนี้หาความดีบอมีหน้าจะออกมาชัดเจนมากยังมีเป็นต้นขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลานผู้ประกอบคุณธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อใจข้ามกิจกรรมและพฤติกรรมลองออกมาคนหนึ่งเขาเห็นและเรามีธรรมะมีสัจจะเมตตาธรรมศีลมีวินัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระเบิดมีระเบียบเรียบร้อยทุกประการไม่แก่เพียงรู้ระเบียบระบบแต่ไม่มีระเบีิดขาระเบียบ ไหนเลยท่านจะเพียบเดยดีไหนจะทำอะไรก็เสียหายทำอะไรก็แหลกลามนั่นแหละรับพยากรณชีวิตก็ตกไป